อย่าไม่มีความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว่าเวเวลาที่เราอยู่คนเดียวนี่คือ <c oughs> การศึกษารูปประัน์ในมุมของความไม่สวยงามเราอย่าเห็นแต่ส่วนที่สวยงามเราต้องมองให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามด้วยเพื่อจะได้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 ไส้ใหญ่ไส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะแล้วก็จะเห็นส่วนที่เป็นส่วนน้ำเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเงือน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมันค้นน้ำมูดนี่คือส่วนที่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 เกี่ยวกับรูปประคันคือร่างกายเพื่อที่จะได้คลายความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นเห็นร่างกายที่ไม่สวยให้งามว่าสวยให้งามนี่คือข้อที่1เกี่ยวกับการศึกษารูปประคันคือร่างกายข้อที่สองที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับรูปประคันก็คือต้องดูว่า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 ธาตุคืออาหารต่อดื่มนมดื่มน้ำดื่มหายใจเอาอาหารเข้าไปอาหารก็คือธาตุดินนี่เองเราได้รับธาตุอย่างต่อเนื่องอาการสามสิบสองก็จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามจเจริญเติบโตกขึ้นมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาว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 มาให้ความสุขเพราะจะเห็นว่าไม่สวยงามไม่ได้เห็นว่าสวยงามจะเห็นว่าเป็นความทุกข์เพราะว่าเป็นร่างกายที่จะต้องแก่เจ็บตายจะต้องมีวันพัดพลาดจากกันเวลาไม่พัดพลาดจากกันเวลาอยู่ด้วยกันเวลาไม่สบายก็ต้องมาเป็นทุกข์มาห่วงใยกัน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 ทุกขเวทนาก็อยู่กับมันไปสุ ข, ขเวทนาก็อยู่กับมันไปไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่กับมันไปอย่าไปยึดอย่าไปติดเช่นแต่เราส่วนใหญ่นี้เราจะยึดติดกับสุ ข, ขเวทนากันเวลาได้สุ ข, ขเวทนาก็อยากจะให้มันสุขไปเรื่อยๆไม่อยากจะให้มันหมดไปเช่นอากาศเย็นที่ผ่านมาเรามีความเย็นสบายกันเราก็อยากจะให้มันเ ย, นยน็นอย่างนี้ไปตลอด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 อันนี้คือสัญญาความจาตอนนี้ความจำของเราจำผิดมีความเห็นผิดนั่นเองสัญญาก็คือความจาหรือความเห็นผิดเราก็ต้องแม่มาแก้ความเห็นผิดด้วยการศึกษาความจริงเมื่อเราศึกษาความจริงอยู่เรื่อยๆต่อไปความเห็นผิดนี้ก็จะหายไปก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องปรากฏขึ้นมาจำมีความจาที่ถูกต้อง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 ก็ไม่อยากได้เฉยๆได้มาแล้วเอามาทำอะไรก็เอามาทำอะไรไม่ได้มันก็เป็นก้อนหินดีๆนี่นี่คือเรื่องของการศึกษาเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอเรียกว่าปัญญาถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติกับสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องก็คือ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 แล้วต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกำลังการจะเข้าสมาธิก็จะเข้าได้อย่างง่ายดายพอเรามีสมาธิแล้วเราก็มาศึกษามาพิจารณาความจริงของขันธ์หของสภาวะธรรมต่างๆของสิ่งต่างๆที่เรามีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องมีความรักมีความชอบนี้เราก็จะต้องพิจารณาเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบ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 แรงต่อต้านธรรมของพรพุทเจ้ามากจิตใจที่มีกิเล breaks, studies, ็บางก็จะมีแรงต้านธรรมของพระพุทเจ้าน้อยคนที่มีกิเลสบางก็จะสาเร็จง่ายกว่าคนที่มีกิเล็หนาเฉนั้นการปฏิบัติของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันผลเกิดจากการปฏิบัติจึงไม่เหมือนกันบางคนก็บรรลุได้เร็วบางคนก็บรรลุได้ช้าบางคนก็บรรลุได้ง่ายบางคนก็บรรลุได้ยาก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 แตก่างา ก, กันพระอาหารหันต์ทุกรูปนี้มีความบริสุทธิ์ทางจิตใจเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นยุคพระพุทธกาลหรือยุคในปัจจุบันนี้ก็จะมีจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันมีนิบบานังปรามังสุขแข็งเหมือนกันแต่ความรู้ความสามารถที่จะมานําธรรมะของตนที่ได้ศึกษาได้เห็นมานี้เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นนี้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 จึงทำให้หลวงปู่มั่นนี่มีลูกศิษย์ลูกขามากหลวงปู่สาวนี่ท่านไม่สามารถสั่งสอนผู้อื่นท่านก็เลยมีลูกศิษย์ลูกขาน้อยแต่ความบริสุทธิ์ของใจของท่านมีเท่ากันดังนั้นเราไม่วัดกันที่ตรงความสามารถในการเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นหรือในการมีบรารมีในเรื่องของการได้รับลาบสักระต่างอันนี้เป็น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 มีศรัทธาญาติโยมร่วมถวายเงินถวายทองคําเป็นจํานวนมากไม่มีครูบาอาจารย์รูปไหนที่ได้ลาบส ก, การะเท่ากับนลวงตาเลอันนี้ก็เป็นเรื่องของบรารมีที่ท่านได้สร้างสมไว้ในอดีตเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านได้ทําใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นเราต้องแยกประเด็นให้ถูกอย่าไป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 บรรลุทำขั้นต่างๆไนดะ้ให้เราทุ่มไปที่ตรงนี้ทําทานให้มากรักษาศีลให้มากจเจริญสติให้มากนั่งสมาธิให้มากจเจริญปัญญาให้มากแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นมาเองช้าหรือเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของบุญของกรรมที่เราทํามาในอดีตการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลายิางขอยุติ ไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะถ า, าวารีวาหาปูราตาริปูเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดาเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทป น, นาระโสยะถา มณิโชติระโสยถาสภิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีฤทษะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโรธมรมวาทานติอายุวโนสุขัง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 มีคุณมีประโยชน์โดยเฉพาะหนังสือธรรมะถ้าเราอ่านหนังสืออย่างอื่นมันก็อาจจะพาให้เราคิดไปในทางความหลงได้ความหนังสือทางโลกนี้มันจะพาให้เราคิดไปในทางความหลงทำให้เราอยากได้อยากให้มีอยากเป็นขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดไปในทางทาอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมมันจะทาให้เราคิดไปในทาง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 อย่างวันที่สิบอ็ดนี้วันอังคารนี้กทางวัดก็จะมีการบวชสา ม, มเณรภาคฤ ด, ดูร้อนจับเด็กที่จบโรงเรียนชั้นมธัธยมปีที่หนึ่งของโรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชนี้ทรงสร้างโรงเรียนกินนอนไว้ที่หน้าวัดยานอยู่โรงเรียนหนึ่งเรียกว่าโรงเรียนผู้รู้ยศอสรอะดับมหนึ่งถึงมสาเป็นโรงเรียนกินนอนเป็นโรงเรียนที่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 ทำให้ตนเองงั้นหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดตัณหาสอนให้คิดไปในทางที่จะดำเนินตอนให้ให้เป็นที่น่ารักน่าเคารพเรื่องสายของผู้อื่นอันนี้สำคัญกว่าความรู้ทางโลกทำความรู้ทางธรรมนี้มีความสำคัญกว่าความรู้ทางโลกเพราะความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้แบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด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 ให้แก่ใจของเราเป็นจำนวนไม่ใช่เป็นตัวเหตุแต่เป็นตัวจำนวนพอมีอะไรแล้วก็จะต้องทุกกับสิ่งนั้นทันทีมีสามีก็ต้องทุกกับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกกับภรรยามีลูกก็ต้องทุกกับลูกมีพ่อมีแม่ก็ต้องทุกกับพ่อกับแม่แต่ถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่ทุกกับเขา นี่คือเรื่องของการศึกษาเพื่อให้เราคิดไปในทางที่ถูกอย่างถ้าเราคิดไม่เป็นมันฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะไปเรื่อยแล้วต่อไปจิตของเราก็จะหมุนไปคิดไปในทางธรรมแล้วก็จะเกิดความฉลาดขึ้นมาพระอรหันต์ก็ฉลาดขึ้นมาก็เพราะได้การศึกษาจากคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ ก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์ก็เป็นคนธรรมดาคนที่คิดไปในทางโลกแต่พอได้ฟังคาคสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เปลี่ยนความคิดใหม่แทนที่อยากจะได้ภรรยาอยากได้สามีก็อยากจะบวชแทนที่อยากจะร่ำอยากจะรวยก็อยากจะสละสมบัติให้คนอื่นไปอันนี้แหละเป็นความคิดที่เราจะได้จากพระพุทธศาสนาเป็นความคิดที่จะปลดเบื้องให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้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 หวานนิดเดียววะพออมไปใหม่ๆก็หวานพอน้ำตาลละลายหมด ก, ก็เหลือแต่ความขมความสุขที่พวกเราได้รับก็เหมือนความสุขเคลือบความทุกข์เนี่ยเวลาใหม่ๆก็สุขเวลาแต่งงานกันใหม่ๆโอ้ยก็สุขกันสุขไปได้ไม่กี่เดือนมอข้าวยังไม่ทันดำก็จะหยากรนะนั่นแหละพอความทุกข์ปรากฏขึ้นมาก็ไม่เอาละแต่เวลาก่อนจะแต่งไม่คิดซะก่อนคิดไม่เป็นคิดไป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 เป็นเรื่องธรรมดาไ ป, ไปห้ามมันไม่ได้แล้วก็จะอยากกันก็เรื่องของเขาเราไปทุกแทนเขาทําไมใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของเราเท่าหน่ใช่ไหมเรื่องของคนอื่นยังไปทุกข์กับเขาเลยเพราะคิดไม่เป็นเนี่ยนะเทราะนั้นเราถ้าอยากจะคิดเป็นก็ฟังเทศฟังธรรมเรื่อยๆออ่ศึกษาธรรมะเรื่อยๆของครูบาอาจารย์ต่างๆอ่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 มีคนมาถามบางเรื่องเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องการให้เขารู้ความจริงเนี่ย<ม>เราเลือกที่จะตอบไม่หมดแทนที่จะเป็นการโกหกจริงเนี่ถือว่าเ ข, าขา้าใครยมูสานะครับไม่ก็แล้วเราพูดความจริงไปเนี่ยเราพูดไม่หมดแค่นั้นเองแล้วเขาก็ไม่ได้มาบั ง, บงคับให้เราพูดให้หมดเนี่ยฮะมู้ษาก็หมายความว่าเราพูดความไม่จริง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 ทิฏฐิเนี่ยทำไมบาทีเราก็มีบางทีมันก็ไม่มีสติสมาธิมันไม่แข็งแรงคือความคิดของเรามันยังพลิกไปพลิกมาอยู่บางทีแล้วคิดไปในทางที่ผิดมันก็เป็นไม่ช้าทิฏฐิขึนะ้นเพราะสัญญาความจําเก่าของเรามันยังมีมากไปในทางที่ผิดอยู่แต่ถ้าเราพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นปัญญาล้วนๆเป็นสัมมาทิฏฐิล้วนๆ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 กิเลสบางตัวเราจู้ไว่ามันหลบใหนเราพอดีสมมติอย่างเราชอบรถยนต์ไงเราบอกไม่อยากได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะหลบหลบนาอยู่หรือว่ามันขาดจริงจก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ไปเรื่อยๆบางทีมันก็หลบไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เห็นรถรุ่นใหม่ออกมาคันใหม่น่ารักกว่าชอบอดไม่ไหวก็อาจจะแสดงว่ามันยัง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 เยมันก็ต้องรักษาต้องสร้างสมาธิสร้างปัญญาไม่ให้มันเสื่อมก็ <c oughs> ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าหยุดเมื่อไหร่มันก็เสื่อมได้จนกว่ามันจะถึงขั้นไม่เสื่อมขั้นไม่เสื่อมมันก็มีตามขั้นของมันขั้นโสดาบันมันก็มีไม่เสื่อมในบางเรื่องบางอย่างพระโสดาบันก็ไม่เสื่อมเรื่อง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 ยังมีอัตราตัวตนในใจยังถือตัวอยู่ยังต้องใหญ่กว่าเขาต้องเก่งกว่าเขาต้องดีกว่าเขาอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆตามลําดับขั้นของการปฏิบัติจนกว่ามันไม่มีอัตราตัวตนหลงเหลืออยู่เลยเป็นเป็นใจที่บ่อยสุดเป็นตัวรู้เฉย ตัวตนนี้มันเป็นตัวอวิชาอาวิชาสร้างขึ้นมาความหลงสร้างขึ้นมาพอปัญญารู้ทันว่าเป็นเพียงเงาเป็นสมมุติที่ใจสร้างขึ้นมาเองก็ยุดก็หยุดไปยึดติดกับอัตตาตัวตนได้ทำตัวให้เป็นเหมือนภาคีริวได้ถึงแม้จะเป็นด็อกเตอร์คนอื่นจะเหยียบย่าดูถูกดูแคลนอย่างไรก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนถึงแม้จะเป็นใหญ่เป็นโต คนเขาจะมาดูถูกดูแกล้ก็ไม่ก็ไม่เดีอดรอนเพราะรู้ว่ามันเป็นเพียงสมมติของจริงมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสูงไม่มีต่ำมันมีแต่ตัวรู้ตัวเดียวท่านเองนี่คือความบริสุทธิ์ของใจกับโยถูกตัดน้านี่ก็คือโมโหนี่ก็อย่างตัวเลยมันตัดหน้าเราเนี่ย <c oughs> คนขาดใจเรามันก็ไม่แสดงว่าไม่เคารพเราใช่เหมเราไม่ทำตามคำสั่งเราเราเป็นเจ้านายมันเป็นลูกน้องทำไมมันไม่ทำตามคำสั่งเราเแสดงว่าเรายังยึดติดอยู่กับสถานภาพของเราอยู่เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านได้เอาในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอด